เอออกากราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็เรามาฟังผู้กล้า ก, กันในคืนนี้โอ้โหคืนนี้ผู้กล้าของเรานี่กล้าจริงๆเลยเนี่ยเป็นเยาวชนผู้กล้าที่ผ่านมานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ กล้มากๆทีเดียวแหละเพราะว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาดิงเงินเนี่ยถ้าจะเลิกดิงต้องให้ทิ้งเลยถ้ายังอ้อยอิงมันก็ทิ้งไม่ได้อ้อยอิงทิ้งไม่ได้ก็ผมกิติศักดิ์ราชจะฟาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีที่สามแต่มีโอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อนธรรมญายาตเรื่นง31 และในการอบรมครั้งนี้ผมได้รู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริงเพราะได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิธยาสอนโดยคุณครูไม่ใหญ่ทาให้ผมได้รู้ถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมและเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ใครก็ตามไม่รู้แล้วอันตรายที่สุดในการดําเนินชีวิตเราจะรู้แต่วิชาชีพเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตั้งศึกษาวิชาชีวิตด้วยจึงจะเอาตัวรอดได้ในวัฏฏะทาให้ผมเกิดความกลัวและเขิดขยะ จ, จากการกระทําที่ผิดศีลธรรมและทำาผมรักหลวงพ่อมากครับ เพเหมือนผมได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากในตอนที่ผมยังเรียนที่สถาบันเก่าผมเป็นคนที่ชอบสังคมคบเพื่อนมากหลากหลายนิสัยและเป็นคนที่ว่าอย่างไรก็ว่าตามกันเพื่อ น, นมีนิสัยรักสนุกเขาชวนดื่มเหล้าผมก็ดื่มกว่าเขาดื่มจนติดและดื่มมาเรื่อยๆซึ่งพอดื่มสุราไปแล้วก็จะเกิดอาการมึนหลังจากนั้นก็จะมีความทรมานร่างกายจะปั่นป่วนอาจเจียนและขาดสติสามารถทําได้ทุกอย่าง บางครั้งก็คึกขนองและประมาทในการขับรถโดยขับรถด้วยความเร็วสูงจนเกิดอุบัติเหตุไปฟื้นอีกทีที่โรงพยาบาลก็มีอันนี้เป็นคุณหรือโทษเนี่ยโทษครับแต่ก็ยังดื่มสุราต่ตอไปอจนมาเข้ามาหาอะไรก็ยังไม่เลิกดื่มสุราแต่เป็นด้วยบุญเก่ายังมีทําให้ได้มาพบกับกิจกรรมชมรมพุทธศาสตร์ได้เข้าค่ายนั่งสมาธิและได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แต่ก็ยังไม่คิดเลิกดื่มสุรา<อ>รู้สึกว่าใจยังไม่แข็งพอเพรติดแล้วมันก็ <Yeah. S 1> เลิกยาก เสียดายนะแต่คิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปภูมิคุ้นกันทางใจก็มีแต่จะลดลงเลยคิดว่าจะไปนค้นหาความจริงของชีวิตโดยการบวช ด, ดีกว่าแล้วก็ชวนเพื่อนนักดื่มมาบวช ด, ด้วยกันสามคนสาธุปัจจุบันยังไม่ลาศิกขาบทสองลูกอ๋อสาธุนี่ยังอยู่แถวๆนี้แหล <laughs> ะเมื่อเดกๆพวคุณหลวงพ่อเปิดเทศกาลเทราภาวุรีให้ลูกๆทุกคนได้ร่วมกิจกรรมนี้ ผมยังได้ปรึกษาคณะกรรมการชมรมพุทธและเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมเทเล่าเผาบุรีที่ทุกคนมีอยู่ในครอบครองซึ่งได้รับความสนใจทั้งผู้ดื่มและผู้ไม่ดื่มสุรามาร่วมงานกว่า20คนจึงได้กาหนดวันเทเล่าในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 18.35 นณห้องชมรมพุทธศาสตร์หมายเลขลายพระจอมเกล้าทนบุรีโดยได้นิมนต์พระอาจารย์ไปร่วมงานด้วยก่อนเทเล่าก็ได้มีการเปิดมิวสิกวิดีโอเทเล่าเผาบุรี จะเป็นแพลงที่กำลังฮอตฮิตติดตลาดอยู่ในขณะนี้ <c oughs> สมาชิกได้ชมพ <c oughs> ร้อมนั้นได้เชิญผู้อำนวยการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจารย์สุวิชัยเศรษฐสถิญไปร่วมงานอีกอทั้งท่านยังประกาศเลิกดื่มเหล้ากลางงาน ส, าสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งห<อ>ลังจากได้กระโรมกันเทเหล้าแล้วก็ทุบขวดแล้วก็นำหน้าอุบาาไปเททิ้งที่สนามหญ้าหน้าป้ายมหาวิทยาลัย แล้วก็นำขวดทุบแล้วทิ้งลงถังขยะไปเรียบร้อยแล้วครับก็สาธุส่วนตัวผมเกิดแรงบันดาลใจขอปฏิ ญ, ญาณตอนที่จะเลิกเล่าและบุรีต่างๆโดยเด็ดขาดตลอดชีวิต ค, ครับสาธุแม้แต่จะมองก็จะไม่มองหรือแตะแม้แต่นิดเดียวครับหลังจากเทและทุบในวันนั้นแล้วผลของการกระทำในครั้งนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปจุดประกายให้กับนักศึกษา นักดื่มสุราทั้งหลายในประเทศและทั่วโลกให้เลิกดื่มน้ำอุบาทนี้และกำจัดน้ำนี้ให้หมดไปจากโลกนี้เลยครับแล้วขอทิษฐานว่าจะได้พบสิ่งที่ไม่ดีไม่ขอพบสุราตลอดจนชาติสุดท้ายจากนี้ไปขอสร้างบารมีอย่างเดียวติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะขอเผยแผ่วิชาธรรมการเป็นจักรจะถึงที่สุดแห่งธรรม ในงานนี้คนที่เคยดื่มแล้วได้ดตัดสินใจเลิกโดยเด็ดขาดไม่กลับไปแต่อีกต่อไปก็คืออันนี้ชื่อของเพื่อนกันนะอ๋อเพื่อนร่วมงานมีตุต๊ตูมีนัดมีป้อมมีแดดมีดอนมีมืดมีสักแล้วก็มีเรอ เออลูกตุดตูลูกนัดลูกป้อมลูกแดดดอนมืดสักจงเจริญและกิจกรรมที่ชมรมพูดกำลังจะจัดขึ้นคือโครงการ No Alcohol for Better Life อรณนโครงการเลิกดื่มสุราในสถาบันอุดมศึกษาช่วงฤ ด, ดูขาบันษา2546 อ, อาจารย์สุวิชัยเศรษฐเสถียรผู้อำนวยการกิจการนักศึกษามาหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีได้กล่าวเปิดใจในงานว่า ในร่วมมหาวิทยาลัยนะักศึกษามากักจะเกิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ตนเองเดือดร้อนรสร้างความเสียหายให้มหาวิทยาลัยทั้งการทะเลาะวิวาทต่างๆนานาเพราะขาดสติเห็นไมเพราะขาดสติและต้องสอบสวนพฤติกรรมซึ่งสาเหตุหลักมาจากการดื่มสุราทั้งสิน้นวันนี้มีน้องชมรมพุทธผู้ตั้งใจดีที่จะเลิกดื่มสุราและเลิกสูบบุรหรี่ตลอดชีวิตเชิญมาร่วม ง, งาน ตอนแรกก็ยังลังเลไม่แน่ใจว่าจะมาดีแล้วเมื่อมาเพราะตัวเองก็ยังทำไม่ได้แต่เห็นความตั้งใจดีของน้องๆก็เลยมาอันที่จริงผมก็ตั้งใจจะเลิกแล้วเพราะมีปัญหาเรื่องกระเพาะแล้วหมอก็เตือนแต่หากอยากจะมีชีวิตอยู่ก็ต้องเลิกดื่มไปอย่างเดียวแต่ถึงหมอจะแนะนํายังก็ยังเลิกไม่ได้ตอนนี้ก็ดื่มบ้างตอนเข้าสังคมแต่พระอาจารย์ได้พูดเชียร์ให้เลิก โดย ห, หักดิบวันนี้เลยและบอกว่าท่นานผ อ, อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมากและน้งนองๆให้กําลังใจว่าทำได้เอาวันนี้เลยเผมก็เลยโอเควันนี้กับวันนี้ผมขอประกาศว่าผมจะเลิกเดิมเล่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสาธุเห็นไหมโยมเนี่ยต้องการให้พระเนี่ยไปเทศสอน แล้วก็บอกให้โยมเนี่ยเลิกดื่มบางทีโยมนี่ยอยากเลิกดื่มแต่ว่าขาดกำลังใจขาดกองเชียร์ขาดพูดแนะนำถ้าได้เนื้อนาบุญผู้เป็นอายุพระศาสนาไปแนะนำไปให้กำลังใจหักดิบได้เดี๋ยวเลิกได้กำลังรบหลักของกองทัพธรรมมีตั้ง3 0 0แสนรูปสามหมื่นกว่าวัดทั่วประเทศแต่พร้อมเพียงกันเมื่ อ, อไหร่แล้วก็ นำอุบาทหมดจากโลกนี้อย่างแน่นอนถ้าสู้หนึ่งก็ชนะหนึ่งสู้ร้อยก็ชนะร้อยถ้าสู้สาม0 0ื่นวัดก็ชนะสาม0มื่นวัดถ้าสู้สามแสนรูปก็ชนะสามแสนรูป ม, มันก็ขึ้นอยู่ว่า เราจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นแหละสู้ไปจ้ะสู้ครับอันนี้ตอบแทนเนื้อนาบุญไมเรียบร้อยเรามาดูรูปนี่แหละคือเยาวชนผู้กล้าผู้เป็นแนวหน้าของเยาวชนหงเล็บมหาชนเขามีบริษัทมหาชนเยาวชนนี่ก็เป็นของส่วนรวมของมหาชนนี่เลิกแล้วดูหน้าตาผู้กล้าเห็นไหมโง่เฮ้งดีทีเดียวเป็นมนุษย์สเทโว เป็นเทวดาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์อยู่นี่นี่เห็นไหมเป็นเทวดาตั้งแต่เป็นมนุษย์เลยอ่านดูภาพกลางๆเขาไปเทกันหน้ามหาลัยเลยนี่โอ้โหมหาลัยนี้เป็นมหาลัยแรกของโลกครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อดังๆเดี๋ยวลองอ่านพร้อมๆกันสิจ๊ะอ่านให้ดังไปกล้องโลกเลยนะอ่านพร้อมๆกันนะจ๊ะว่ามหาลัยของโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอม บุรี geri, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่จุดประกายมาแล้วแห่งความสว่างในดวงใจทั้งเททั้งทุบเลยนี่แต่ว่าก็มีวิจัยหนึ่งนะนะอันดับแรกของโลกเหมือนกันนะ พึ่งทุปปบไปกันไปมาเร็วๆเนี่ยวิทยาอะไรนะการจนาพิเศษการจนาพิเศษน้องจอกนี่ก็อันดับหนึ่งของโลกวิทยาอะไรจ๊ะดังๆไปทั่วโลกเลยวิทยาอะไการชนะ พ, พิเศษ น, น, น้องจอกน้องจอกด <c ười> ิเสียงเอ็โคตามโอ้โห <c ười> นี่จะสนุกกันใหญ่แล้วเห็นไหม สู้หนึ่งชนะหนึ่งสู้สิชนะสิสู้ร้อยชนะร้อยสู้ทั้งหมดก็ชนะทั้งหมดนี่นแหละ mm hmm. เพราะฉะนั้นกําลังรบหลักของกองทัพธรรมเนี่ยสามแสนกว่าองค์ส 0,000 ื่นกว่าทวีปประเทศตอนนี้ต้องลุ ก, กขึ้นมาแล้วเนี่ยปุกระดมให้อุบาสกปิจิกาสาธุโชนทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นชาวพุทธได้ตื่นตัวก่อนเป็นอันดับแรกเลยให้เลิกเทเล่าเผ่าบุรีกันให้ได้ แล้วชาวโลกเขาจะได้ทำตามตรงนี้แหละต้องขอฝากเนื้อนาบุญและอายุพศศาสน า, าได้ก็รทำสิ่งดีนี่ดูภาพต่อไปเมื่อก่อนตั้งวงดืง่มแอนด์ดืแต่ตอนนี้ตั้งวงทิ้งแอนทิ้ง <laughs> อาจารย์สุวิชัยเศรษฐเสถียรนี่นี่อุ้ยหลูบหลอซะด้วยเนี่ยนี่ที่จริงท่านก็นตั้งใจเลิกก่อนที่หมอจะบอกแล้วครับใช่ไหมครับแต่ยังไม่มีอารมณ์แล้วนั้นแหละครับวันนี้มีอารมณ์ร่วมแล้วครับนี่คือผู้กร้าของมหาวิทยายทโลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรีจะอามาดูภาพฝังหลัง นี่พร้อมเปลี่ยนกันเทเลยพระอาจารย์ก็สวดชยันโตกันใหญ่เลยนี่พระอาจารย์ดีมากเลยลูกเอ้ยดีมากเราอ่าไปอยู่เลยจะไปดื่มเหล้าฟรีโดยมีบาร์เทนเดอร์เป็นนายนิรยบาล 6,000 กว่าล้านล้านปีมนุษย์นยมันไม่ดีแล้วองไงไม่อ้าว เสร็จแล้วก็ยกขบวนกันมาเลยแห่กันโอ้โหร ะ, ะเบิดเถอเทิงเลยทิ้งไม่เหลือที่สนามยาหน่ามาหาวิเลยนี่เห็นไหมมาแล้วมาแล้วเทแล้วต้องทุบจึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็หอผ้าไปทิ้งไม่เสียดายราคานี่ น, นี่ทุบแล้ว อาจารย์สุวิชัยเศรษฐเสถียนผู้กล้าหักดิบเลิกสุราในวันเดียวนี้ดูฮึมสาธุดูโง่เห้งสว่างสวัยทีเดียวเลยไม่ต้องเปิดไฟก็เห็นได้ดูหน้าตาอีกครั้งหนึ่งของเยาวชนผู้กลาแนวหน้าของชาติและแนวหน้าของโลกทีเดียวเลยครับครูไมียใหญ่ขออนโมธนาสาธุการ ขอให้การกระทาอันยิ่งใหญ่ที่เป็นซูเปอร์โมเดลของเดอะเวิ์ในครั้งนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนจงมีดวงตาเห็นนำมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชสมความปรารถนาในทุกสิ่งจงทุกประการเถิด